เรื่องพระละกุนตกะพัทยาเทระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระเทระชื่อลกุนตกะพัทยความพิสดารว่าพระละกุนตกะไปสู่ที่เฝ้าพระสัสดาพอลีกออกไปภิกษุผู้อยู่ป่าสามสิบองค์มาเฝ้าพระสัสดาทรงถามว่า การเห็นพระเทระองค์หนึ่งออกไปจากนี้เห็นหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นต่างตอบว่าไม่เห็นด้วยเข้าใจว่าเป็นสำมเนนเพราะรูปร่างเตี้ยเล็กพระศัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกว่าเทระเพราะเป็นคนแก่เพราะเหตุที่นั่งบุญอาสนะพระเทระส่วนผู้ใดแทงตลอดสัจจะทั้งหลายแล้ว ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนผู้นี้ชื่อว่าเป็นเทระทรงตรัสพระคถาว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเทระเพราะมีผมงอกมีไวยแก่รอบนี้เรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจาธรรมะอหิงสาสัญญมและธรรมะผู้นั้นแหละเป็นผู้มีมวลทินอันคายแล้ว มีปัญญาเรากล่าวว่าเป็นเทระอธิบายคำว่าแกเปล่าเพราะไม่มีธรรมะภายในอันเป็นเครื่องทำให้เป็นเทระสัญญาะธรรมะเพราะเป็นผู้มีศีลและอินทรียสังวรอหิงสา เพราะความมีอปมัญญาสีได้แก่พรมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่เบียดเบียนผู้ใดในการจบเทสนาภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในพระอรหัดแล้วดังนี้แหละ